คุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะตามติดชีวิตโยคีจากเรื่องจริงที่มาจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษาโยคานันทาโยคีชื่อดังของอินเดียที่ไปโด่งดังในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะนั่นทำให้การเข้าถึงเป็นไปอย่างง่ายกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้หนังสือเล่มนี้โด่งดังเป็นที่ อยอมรับนะคะจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นที่ยกย่องของบรรดาฝรั่งมังค่าว่านี่คือนังสือจิตวิญญาณที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งของยุคสมัยวันนี้จะเป็นตอนที่17นะคะที่ท่านประมาหังสาโยคา น, นันทะได้เขียนเล่าถึงช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิตของท่านที่ได้เปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดาไปเป็นนักบวชเป็นสวามี เป็นผู้สแสวงหาซึ่งการหลุดพ้นเพื่อการเข้าถึงซึ่งพระเจ้าตามศาสนาของฮินดูในตอนนี้ท่านได้เล่าให้ฟังนะคะถึงวันที่ท่านบวชแล้วก็ที่มาของชื่อใหม่ของท่านก็เหมือนกับของเราเมื่อเวลาบวชแล้วเราก็จะได้รับชื่อทางธรรมได้รับฉายาเป็นภาษาบาลีนะคะ ก็ใช้เรียกขานในขณะที่ดำรงสถานะเป็นนักบวชน่าสนใจค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะของท่านปรมาังสายโยคานันทค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญฟังได้เลยนะคะกับตอนที่17ชีวิตโยคียค่ะ พิธีบวชเข้าสำนักสวามีเป็นพิธีที่มีขั้นตอนมากมายนะคะเริ่มจากพิธีประชุมเพลิงซึ่งจะนาเอาพิธีชาปน ก, กิจศพหรือว่าเผาแบบหลอกๆมาทำเป็นสั ญ, ญลักษณ์เหมือนกับว่าผู้ที่บวชเนี่ยได้ตายไปแล้วจากโลกนี้แล้วก็ได้เข้าสู่โลกใหม่ก็จะมีการส ม, มุดร่างของสิทธิ์เป็นซากศพ ถูกนำขึ้นเผาด้วยไฟแห่งปัญญาสามีบวชใหม่จะสาทยายมนในทํานองอาตามา น, นี้คือพรหมหรือพระองค์คือสิ่งนั้นหรือข้าพเจ้าคือพระองค์แต่ว่าท่านอาจารย์ศรียุคเตสวนนิยมความเรียบง่ายท่านก็ละแบบแผนและพิธีการทั้งปวงสิ่งที่ท่านทำก็แค่ให้มุกุลทะเลือกชื่อใหม่ให้กับตัวเอง ครูจะให้สิทธิทพิเศษกับเธอให้เธอเลือกชื่อที่จะใช้ด้วยตัวเองท่านพูดยิ้มยิ้มซึ่งมุกุลท้าหยุดคิดนิดนึงแล้วก็ตอบทันทีว่าโยคานันทาขอรับชื่อนี้มีความหมายว่าปิติจากการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้า อ น, นันทะคือปิติโยคะคือพระเป็นเจ้าโยคานันทะก็คือมีความปิติจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าได้เลิกใช้ชื่อมุกุลทะลานโคดที่ได้จากครอบครัวเสียนับจากนี้ไปเธอคือโยคานันทะแห่งสำนักสวามีสายคีรีชื่อโยคานันทะเป็นชื่อที่นิยมใช้กันมากในหมู่สวามีนะคะ เรียกว่าเป็นชื่อยอดนิยมอีกชื่อหนึ่งมุกุลทะคุกเข่าลงเบื้องหน้าท่านครุษียุคเตสวนเมื่อได้ยินท่านเอ่ยนามใหม่ของเขาเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกสำนึกในพระคุณของท่านที่ยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเฝ้าอบรมสอนสั่งด้วยความรักอันเปี่ยมล้น เพื่อที่สักวันหนึ่งข้างหน้าเด็กชายมูกุลทะจะได้กลายเป็นสวามีโยคานันทะเข้าไปเจ้าสาทยายบทสวดมนต์ภาษาสันสกฤตด้วยใจที่เปี่ยมสุขก็เป็นอันว่ามูกุลทะได้ตายไปจากโลกนี้แล้วตอนนี้มีแต่โยคานันทะ ซึ่งเป็นสวามีในสำนักของท่านสียุคเตสวนชื่อของสวามีจะมีการเติมส้อยคำเข้าไปข้างท้ายเพื่อบ่งบอกว่าสังกัดอยู่ในสำนักใดสำนักสวามีมีสิบสายย่อยเรียกว่าทศนามีหรือนิกายย่อยทั้งสิบสายประกอบด้วยสายคียรี คือสายภูเขาซึ่งเป็นสายของท่านสวามีสียุคเตสวนคีรีก็คือท่านยุคเตสวนเนี่ยคือสายนี้ท่านโยคานันทะเป็นสิทธิ์ของท่านสียุคเตสวนก็คือสายคีรีสายสาครคือสายทะเลสายพารตีคือสายแผ่นดินสายปุรีก็คือสายเมืองสายสรัสวตีสายปัญญาแห่งธรรมชาติ สายตีระสายปุญญะสถานสายอารัญญะคือสายป่าชื่อทางธรรมของสวามีที่มักลงท้ายด้วยคำว่าอานันทะหรือว่าปิติสูงสุดก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระโดยอาศัยมรสภาวะหรือทิพยะอำนาจไม่ว่าจะเป็นความรักปัญญาการแยกแยะสิ่งควรไม่ควร การอุทิศตนการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือการปฏิบัติโยคะชื่อของสวามีจึงแสดงถึงความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้สร้างธรรมชาติคติในการทำงานเพื่อเพื่อนมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงตนเองการละทิ้งความผูกพันส่วนตัวและก็การละความทยานอยากทั้งปวง ทำให้สวามีส่วนใหญ่มาจับงานด้านการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์และการศึกษาในอินเดียกันอย่างแข็งขันและบางครั้งก็อาจข้ามไปทำในต่างประเทศด้วยสวามีต้องละซึ่งอคติในเรื่องวันนะศรัทธาชนชั้นสีผิวเพศและเผ่าพันธุ์ยึดหลักในคือยึดในหลักพราดอนภาพแห่งมนุษยชาติและก็ถือเอาการรวมเข้ากับพระเป็นเจ้าคือเป้าหมายสูงสุด ความคิดที่ติดตรึงอยู่ในจิตสำนึกทั้งยามหลับและยามตื่นก็คือข้าพระบาทคือพระองค์สวามียอมท่องไปในโลกด้วยใจที่เป็นสุขมิใช่ด้วยใจที่ยินดีในทางโลกด้วยเหตุนี้จึงควรแก่คำเรียกหาว่าสวามีซึ่งแปลว่าผู้ที่สแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับ ส, บสวะหรือว่าวิญญาณไม่ได้แปลว่าสามี เหมือนที่เราใช้ว่าพระสวามีคนละความหมายนะคะท่านครูศียุกเตสวนเป็นทั้งสวามีและโยคีสองคำนี้ก็ไม่เหมือนกันถ้าจะว่ากันตามแบบแผนแล้วสวามีคือนักบวชในสังกัดของสำนักที่มีระเบียบกฎเกณฑ์อันน่าเคารพเลื่อมใสแต่สวามีไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นโยคีเสมอไป โยคี oki, หมายถึงผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติตามโยคะวิธีที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญเพื่อให้เข้าถึงพระเป็นเจ้าโยคี oki, อาจมีภรรยาหรือไม่มีก็ได้เป็นครวาดที่ยังมีความรับผิดชอบทางโลกหรือจะเป็นนักบวชเต็มตัวก็ได้เช่นกัน ผู้ที่เป็นสวามีอาจเลือกได้แต่เฉพาะทางเดินของกระบวนการใช้ความคิดและเหตุผลที่ดูแห้งแลง้งกับการดาเนินชีวิตที่อ้างว้างเยียบเย็นจากการสละแล้วซึ่งทางโลกแต่โยคีนั้นจะมีวิธีฝึกฝนอบรมกายและจิตที่เด่นชัดเป็นขั้นเป็นตอนจนวิญญาณสามารถปลดเปลื้องพันธนาการได้ทีละเล็กทีละน้อยโยคีจึงไม่ได้หวังพึ่งอารมณ์ความรู้สึกหรือศรัทธาภาษา แต่จะฝึกฝนจิตตามแนวทางที่เหล่าฤาษีโบราณได้คิดค้นวางหลักเกณฑ์เอาไว้อย่างละเอียดและได้ผ่านการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเช่นเดียวกับศาสตร์แขนอื่นค่ะโยคะเองก็ใช้ได้ผลกับผู้คนในทั่วทุกขนแห่งและทุกการเวลาโยคะคือวิธีสะกดความคิดอันแสสายตามธรรมชาติของมนุษย์ให้หยุดนิ่ง ความคิดเหล่านี้เป็นอุปสรรคขัดขวางหมู่มวลมนุษย์ในทั่วทุกแดนมิให้สามารถมองเห็นธรรมชาติอันแท้จริงของพระเป็นเจ้าได้โยคะก็เป็นเชกเช่นเดียวกับแสงอันทรงคุณค่าของดวงอาทิตย์ที่ให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตกอย่างเท่าเทียมกันความคิดส่วนใหญ่วุ่นวายและก็แปลเปลี่ยนไปตามอารมณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งโยคะที่เป็นศาสตร์แห่งการควบคุมจิตและถามว่าอย่างไหนยิ่งใหญ่กว่ากันสวาีหรือโยคีเคยมีบางคนที่ถามคำถามนี้นะคะ ท่านโยคานันทาก็บอกว่าหากแม้นและเมื่อใดที่มนุษย์เปราบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าความแตกต่างของมราคาอันหลากหลายก็ย่อมสลายหายไปอย่างไรก็ดีคำภีพระควรธีตาได้เอ่ยอ้างไว้ว่าโยคะเป็นศาสตร์ที่รวมเอาทุกประการเข้ามาไว้อย่างครบถ้วนโยคะวิธีทั้งหลายมีได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้สาหรับคนประเภทใดประเภทหนึ่งหรือจริตแบบใดแบบหนึ่ง อย่างคนไม่กี่คนที่มีใจฝักใฝ่ใคร่ออกบวชโ ด, ดยใช่ว่ามีแต่คนออกบวชเท่านั้นที่จะฝึกปฏิบัติโยคะได้เนื่องจากศาสตร์แห่งโยคะสามารถสนองตอบความจำเป็นของสากลโลกได้ธรรมชาติของโยคะจึงดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ทั่วพื้นพิพภพ ปัจจุบันนี้โยคะก็ได้รับความนิยมในโลกตะวันตกฝรั่งมังค่ารวมถึงคนไทยก็หันมาสนใจฝึกโยคะกันเยอะนะคะแต่โยคะที่เราฝึกกันก็เป็นเพียงโยคะทางกายเรายังไม่ได้ใช้วิถีชีวิตแบบโยคีแต่เราเอาองค์ความรู้ของโยคีบางส่วนเอามาใช้นั่นก็คือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยท่าอัศนะของการฝึกโยคะต่าง เรื่องของการใช้ประโยชน์ในการควบคุมลมหายใจอันนี้เป็นประโยชน์มากนะคะในเรื่องของการฝึกโยคะใครที่ฝึกโยคะก็คงเข้าใจได้ดีนี่คือคุณูปการนะคะของทางฮินดูซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้คนทั่วโลกตอนนี้ไม่มีมุกุลทะแล้วนะคะ มีแต่ท่านโยคานันทะหลังจากที่มุกุลทะบวชเป็นโยคานันทะเข้าสำนักสวามีได้ไม่นานวันหนึ่งขณะที่อยู่ในพวังแห่งสมาธิอันลุ่มลึกก็มีข้อความดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายในจิตใต้สำนึกว่า อนันตะหมดอายุไขเวลาใช้กรรมในชาตินี้ของเขาได้หมดลงแล้วอนันตะก็คือพี่ชายคนโตท่านโยคานันทะจึงได้หวนกลับไปที่เมืองโครักคปุระที่เป็นบ้านเกิดโดยไปพักอยู่ที่บ้านของพี่อนันตะแล้วจูๆ่ๆอนันตะก็ล้มหมอนนอนเสือ่อขนาดลุกจากเตียงไปไหนมาไหนไม่ได้ ท่านโยคานันทะก็เฝ้าดูแลพยาบาลพี่ชายด้วยความห่วงใยแม้ว่าจะรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะจากพวังแห่งสมาธิแต่ท่านโยคานันทะก็ไม่สามารถที่จะเฝ้าดูพี่ชายตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่ช่วยเหลืออะไร ข้าพระเจ้าสุดจะทนฝืนอยู่ที่โครักคบุระได้อีกจึงลงเรือลำแรกที่หาได้จากอินเดียท่ามกลางเสียงตำหนิติดติงของเครือญาติผู้ไม่เข้าใจเหตุผลที่ผลักดันให้ข้าพระเจ้าต้องกระทำเช่นนี้เรือของข้าพระเจ้าแล่นผ่านพมา่าตัดข้ามทะเลจีนมุ่งสู่ประเทศญี่ปุ่นข้าพระเจ้าไปขึ้นฝั่งที่โกเบและพักอยู่ที่นั่นสองสามวัน ใจของก็ไปเจ้าหนักอึ้งเกินกว่าจะนึกอยากออกไปเที่ยวดูบ้านดูเมืองกับใครเขาการเดินทางเที่ยวขากลับเรือไปแวะจอดเทียบท่าที่เซี่ยงไฮ้หมอมิสราแพทย์ประจําเรือพาเข้าไปเจ้าขึ้นบกไปเดินดูร้านขายของสะสมแปลกๆข้าปเจ้าเลือกซื้อของหลายชิ้น ตั้งใจจะนำไปฝากท่านอาจารย์สียุคเตสวนญาติพี่น้องและผองเพื่อนของฝากสำหรับพี่อนันตะเป็นงานไม้ไผ่แกะสลักชิ้นใหญ่แต่ทันทีที่รับของมาจากมือพ่อค้าชาวจีนข้าพเจ้าก็ทำมันหลุดมือตกลงกระแทกกับพื้นผมซื้อของชิ้นนี้ไปฝากพี่ชายผู้ลาโลกไปเสียแล้วทันโยคานันทะ รู้ขึ้นมาทันทีในขณะนั้นว่าพี่ชายกําลังจะจากโลกนี้ไปของฝากชิ้นนั้นแตกเป็นรอยร้าวเหมือนจะบอกเป็นนายอยู่ไกลๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของท่านเ mm hmm. ขาไปเจ้าเขียนข้อความลงบนเนื้อไม้ไผ่ทั้งน้ําตานองหน้าว่า mm hmm. สําหรับพี่อนันต์ผู้เป็นที่รักและได้จากไปแล้ว หมอที่เดินมาด้วยกันมองท่านโยคานันทะพร้อมกับรอยยิ้มเก็ <c oughs> บน้ำตาเอาไว้ก่อนดีกว่าหนะ้าจะรีบร้องอะไรกันตอนนี้ยังไม่ทันรู้เลยว่าตายจริงหรือเปล่า <c oughs> เมื่อเรือมาเทียบท่าที่กะละกัต้าพิสนุน้องชายคนสุดท้องก็มายืนรอรับอยู่ที่ท่าเรือ พี่รู้ว่าพี่อนันตะลาโลกไปแล้วเขาไปเจ้าชิงบอกขึ้นก่อนที่พิสนุจะทันไดเอ่ยปากช่วยบอกพี่กับคุณหมอท่านนี้ทีว่าพี่อนันตะสิ้นลมไปตอนไหนพิสนุระบุวันซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ท่านโยคานันทะขึ้นบกไปซื้อของฝากที่เซี่ยงไฮ้วันที่ของฝากตกแตกวันนั้นเลยหมอถึงกับอุทานว่าโอ้โห อย่าอึงไปเชีนะไม่งั้นพวกอาจารย์หมอจะต้องเพิ่มวิชาการสื่อสารทางโทรจิตเข้ามาไว้ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ที่เรียนกันอีกเป็นปีแน่นๆเท่าที่เรียนกันอยู่นี่ก็หลายปีโข อ, อยู่แล้วนะพอก้าวเทาเ้าเข้าบ้านพ่อก็กอดท่านโยคาห น, นันทะลูกกลับมาแล้วแล้วท่านก็ร้องไห้ ปกติแล้วพ่อของท่านเป็นคนที่เก็บความรู้สึกแล้วก็ไม่เคยโอบ ก, กอดแสดงความรักแบบนี้คือเป็นพ่อผู้เคร่งครัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านใจอ่อนกับลูกๆไม่ต่างไปจากแม่แล้วก็หลังจากที่แม่จากไปท่านก็สวมบทเป็นทั้งพ่อและแม่มาโดยตลอดหลังจากที่พี่ชายคนโตคืออนันต์าตายจากไปไม่นาน ก็เป็นคราวของน้องสาวที่ชื่อนารินีบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่น่าสนใจค่ะลองมารู้จักกับนารินีน้องสาวของท่านนะคะอย่างพี่อนันต์เนี่ยมีการเอ่ยถึงหลายช่วงหลายตอน สำหรับนลินีทันโยคานันทาก็บอกว่าสมัยยังเด็กข้าพเจ้ากับน้องสาวคนนี้ไม่ค่อยจะกรมเกลียวกันนะักตัวข้าพเจ้าว่าพร้อมแล้วแต่น้องยังพร้อมยิ่งกว่าด้วยปมด้อยที่ฝังอยู่ในใจแบบไม่รู้ตัว<ส>ข้าพเจ้าจึงชอบล้อน้องว่าพผอมเป็นไม้เสียบผีอยู่บ่อยๆข้างนาลินีก็ซัดข้าพเจ้ากลับแบบไม่มียั้งตามประษาวัยรุ่นใจร้อน บางครั้งแม่ต้องเข้ามาห้ามทับและยุติการทะเลาะกันแบบเด็กๆของเราลงชั่วคราวด้วยการตบบ้องหูเข้าไปเจ้าเบาๆในฐานะที่เป็นพี่หลังเรียนจบนลินีมั่นกับนายแพทย์ปัญจนานนโบสคุณหมอหนุ่มนิสัยดีจากกัละกาตา<อ>ครั้นถึงเวลาอันสมควรก็มีการจัดพิธีสมรสอัน ง, งดงามในคืนวันแต่งงาน ข้าพเจ้าไปร่วมวงสนุกสนานกับหมู่ญาติในห้องรับแขกของบ้านที่กาลกาตาเจ้าบ่าวของเรานั่งพิงหมอนปักดินทองใบมะฮมามีนรินีนั่งเคียงอยู่ข้างกายถึงจะห่มสารีไหมสีม่วงที่สวยมากแต่อา น, นิจจามันช่วยปกปิดกระดูกปนปนของน้องไม่ได้เลย oh. ข้าพเจ้าหลบเข้าไปข้างหลังหมอนอิงของน้องเขยคนใหม่ ยิงฟันยิ้มให้อย่างหมายจะผูกมิตรหมอไม่เคยเห็นนริณีมาก่อนจนวันแต่งนี่แหละที่หมอจะได้รู้ในที่สุดว่าตนเองได้รางวัลแบบไหนจากการเสี่ยงท่ายคู่วิวาในครั้งนี้อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบการเลือกคู่และการแต่างงานของคนอินเดียนะคะแม้กระทั่งคนที่มีการศึกษาเป็นหมอแบบนี้การเลือกคู่ก็คงจะเป็นไปโดยที่ผู้ใหญ่จัดการ เพราะว่าหมอก็ไม่เคยเห็นเจ้าสาวมาก่อนเพิ่งจะมาเห็นวันแต่งงานนะคะทั้งคู่เลยทีนี้หมอโบสเนี่ยก็ชี้ไปที่นารินีแล้วก็กระซิบถามท่านโยคานันธาบอกว่าไหนบอกทีสินี่อะไรนะ่ะท่านโยคานันทาก็ตอบแบบมีอารมณ์ขันบอกว่าจะอะไรหมอแล้วก็ ก็โครงกระดูกเอาไว้ให้หมอใช้ศึกษายัางไงเล่านั่นคือเหตุการณ์ในวันแต่งงานนะคะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเพิ่งจะได้เห็นหน้ากันวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าหมอโบสคนนี้ก็เป็นเขยเป็นญาติที่ครอบครัวรักใคร่ได้อย่างสนิทใจและก็เป็นที่พึ่งของครอบครัว ใครเจ็บไข้ขึ้นมาก็ได้พึ่งพาอาศัยหมอโบสหมอกับท่านโยคานันทะก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันมักพูดจาเล่นหัวกันอยู่บ่อยๆและคนที่ตกเป็นเป้านินทาของทั้งคู่ก็ไม่ใช่ใครคือนารินีนั่นเองทั้งคู่มักจะนินทานารินีในเรื่องไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะ กลับมาฟังกันต่อนะคะว่าหมอโบสกับท่านโยคานาันทานเนี่ยมักจะเมาส์กันในประเด็นไหนที่เกี่ยวกับนรินีหมอโบสซึ่งเป็นน้องเคยของท่านโยคานาั น, านทานเอ่ยขึ้นวันหนึ่งว่านี่เป็นกรณีทางการแพทย์ที่แปลกและน่าศึกษามากครับผมลองทุกอย่างกับน้องสาวผู้ผอมแห้งของพี่ทั้งน้ามันตับปลาเนยเข้าวมา้น้้ำผึ้งปลาเนื้อไข่ แม้กระทั่งยาบำรุงแต่ถึงขน no so no really าดนั้นก็ยังทำให้เธอมีเนื้อมีหนังเพิ่มขึ้นสักหนึ่งส่วนร้อยนิ้วไม่ได้เลยก็แสดงว่านาลินีนี้คงจะผอมมากจริงๆหลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะท่านยคานันทะแวะไปที่บ้านหมอโบสพอทำธุระเสร็จก็ตั้งท่าจะกลับ ปรากฏว่าเจอน้องสาวได้ยินเสียงน้องเรียกอย่างอ่อนหวานแต่น้ําเสียงเนี่ยเหมือนจะบังคับอยู่ไกลๆว่าพี่มุกุลทะมานี่หน่อยคราวนี้อย่าคิดนะว่าจะหลบหน้าฉันได้อีกฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่ข้าพเจ้าเดินขึ้นบันไดไปยังห้องของน้องและก็ต้องประหลาดใจ ที่เห็นน้องร้องไห้พี่มุกุลทะพวกเรามาลืมเรื่องทะเลาะบบาแวงสมัยเด็กๆ เ, เอาไว้ก่อนเถอะนะฉันเห็นว่าตอนนี้พี่ก้าวเดินไปบนเส้นทางทํามได้อย่างมั่นคงแล้วฉันอยากจะเป็นอย่างพี่บ้างทุกอย่างเลยจริงๆตอนนี้พี่อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจังพี่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมสามีฉันไม่ยอมเข้าใกล้ฉันเลย และฉันก็รักเขามากเหลือเกินแต่สิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือความก้าวหน้าในการแสวงหาพระเป็นเจ้าถึงจะต้องผอมแห้งจนสามีไม่ชายตาแลเช่นนี้ต่อไปฉันก็ยอมมีเชิงออธิบายว่าคนส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ยจะผอมกันแทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนจึงอยากให้ตัวเองอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นธรรมดานะคะ นาลินีก็อ้อนวอนท่านโยคานันทะซึ่งเป็นพี่ชายซึ่งท่านโยคานันทะก็นึกสงสารน้องและทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งนาลินีก็ร้องขอจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านให้ได้พี่ช่วยสั่งสอนอบรมฉันตามที่พี่เห็นสมควรเถอดนะฉันศรัทธาในาพระเป็นเจ้ายิ่งกว่ายาบำรุง ว่าแล้วน้องสาวก็หอบขวดยาเต็มสองแขนเอาไปเททิ้งลงท่อระบายน้ำนอกหน้าต่างท่านโยคานันทะก็ต้องการทดสอบศรัทธาของน้องสาว ก, ก็บอกให้น้องเนี่ยเลิกกินปลาเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่อย่างเด็ดขาดซึ่งนลินีก็ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่ท่านโยคานันทะได้กำหนดเอาไว้ให้อย่างเคร่งครัดเธอกินแต่อาหารมังสวิรัต อย่างมุ่งมั่นแมลว่าจะต้องประสบกับความยากลำบากนานาประการคือเลิกกินปลากินเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ยังเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายงหลายเดือนผ่านไปท่านโยคานันทาก็กลับไปเยี่ยมน้องอีกครั้งหนึ่งาลินีหลายเดือนมานี่น้องเคร่งครัดปฏิบัติตามหลักทำได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเจ้าจะประทานรางวัลให้กับน้องในไม่ช้านี้ เธออยากจะอ้วนจำม้ามสักแค่ไหนล่ะเอาเท่าป้าของเราที่มองปลายเท้าไม่เห็นมาเป็นปีๆแล้วดีไหมไม่ละฉันอยากมีเนื้อมีหนังแข็งแรงเหมือนอย่างพี่มากกว่าเข้าไปเจ้าตอบรับอย่างเคร่งขรึมด้วยพระกรุณาแห่งพระเป็นเจ้าในฐานะที่พี่กล่าวแต่สัจวาจามาโดยตลอดบัดนี้พี่ขอกล่าวเป็นความสัตย์ว่า ด้วยพระเมตตาจากเบื้องบนรูปร่างของน้องจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่ต้องสงสัยนับแต่วันนี้เป็นต้นไปภายในหนึ่งเดือนน้องจะหนักเท่ากับพี่มีเชิงอธิบายนะคะว่าคำภีของทางฮินดูเนี่ยสอนว่าบุคคลผู้พูดแต่ความสัตย์คือพูดแต่ความจริงอยู่เป็นนิด ย่อมบังเกิดมีอำนาจทำให้คำพูดของตนกลายเป็นความจริงได้คำประกาศสิทธิ์ที่กล่าวออกมาจากใจย่อมกลายเป็นจริงตามนั้นโดยเหตุนี้ท่านจริงต้องท่านจริงต้องกล่าวก่อนว่าขอกล่าวเป็นความสัตย์แล้วก็อ้างถึงที่ผ่านมาว่ากล่าวแต่สั จ, จวาจาคือพูดแต่ความจริงมาโดยตลอด ว่าจะจักใจของท่านโยคานันทะบังเกิดผลเป็นจริงตามนั้นทุกประการค่ะภายใน30วันน้ำหนักตัวของารินีได้เพิ่มขึ้นจนเท่ากับท่านโยคานันทะผู้เป็นพี่ชายอย่างที่เธอใฝ่ฝันการที่เธอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็ทำให้อวบอิ่มมีน้ำมีนวลทำให้สวยขึ้นสามีก็หันมารักใครใ่ใหญ่ดี ชีวิตสมรสที่มีทีท่าว่าจะไปไม่รอดในตอนแรกของทั้งคู่ก็กลับมาหวานชื่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอ้วนไปก็มีปัญหาผอมไปก็เป็นปัญหาคนอ้วนก็อยากผอมคนผอมก็อยากอ้วนนะคะนี่คือชีวิตของนารินียังไม่จบค่ะ หลังกลับมาจากญี่ปุ่นท่านโยคานันทะรู้ข่าว่าระหว่างที่ท่านไม่อยู่นารินีน้องสาวคนนี้ละค่ะล้มป่วยเป็นไข้ไทฟ อ, อยด์ป่วยหนักเลยท่านก็รีไปเยี่ยมน้องที่บ้านแล้วก็ต้องตกตะลึงที่เห็นนารินีเนี่ยพร้อมจนเหลือแต่หนังคุ้มกระดูอาการก็อยู่ในขั้นโคมา่าน้องเคยซึ่งเป็นหมอก็หมดหวังค่ะ บอกว่าผมไม่มีหวังแล้วหมอกี่คนกี่คนก็เห็นตรงกันกับผมว่าไม่มีหวังอีกแล้วนลินีป่วยเป็นไข้ไทฟ อ, อยู่นานตอนนี้ถึงขั้นถ่ายเป็นเลือดแล้วด้วยหนักมากข้าพเจ้าเฝ้าสวดอ้อนวอนทั้งฟ้าและดินว่าจ้างพยาบาลลูกครึ่งอินเดียอังกฤษมาดูแล ซึ่งเธอก็ให้ความร่วมมือทําตามที่ข้าพเจ้าบอกทุกอย่างข้าพเจ้านำโยคะวิธีหลายอย่างมารักษาน้องสุดท้ายอาการถ่ายเป็นเลือดก็หายสนิทแต่มอโบสกลับใส่หัวเอาแต่คร่ำครวนว่าเธอก็แค่เลือดออกจนหมดตัวแล้วเท่านั้นคือหมอเนี่ยไม่เชื่อว่านารินีอาการดีขึ้นหลังจากที่ หายจากการถ่ายเป็นเลือดคือหมอเชื่อว่าที่ที่หายจากการถ่ายเป็นเลือดเพราะว่าเลือดหมดแล้วแต่ท่านโยคานันทาก็บอกว่าอาการของเธอจะดีขึ้นแน่นารินีจะหายไข้ภายใน7วันหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนารินีก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแต่แม้ว่าจะกลับมามีน้ําหนักเท่าเดิมได้ การป่วยหนักเจียนตายในครั้งนี้ก็ทำให้เธอเป็นอัมพาตที่ขาทั้งสองข้างแพทย์ผู้ชารานทั้งแพทย์ชาวอินเดียและอังกฤษ ต, ต่างมีความเห็นพ้องต้องกัน ว, ว่าเธอจะต้องพิการไปชั่วชีวิตคือรอดตายแต่เป็นอัมพาต ท่านโยคานันทะก็ทุ่มเทความพยายามสวดอ้อนวอนขอชีวิตน้องโดยไม่ยอมหยุดยัง้งจนสิ้นแรงจะทำอะไรได้อีกท่านมุงนาไปที่เซรอมปอ์เพื่อขอให้อาจารย์สียุคเตส่วนช่วยเมื่อท่านโยคานันทะเล่าถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของนรินีให้ฟังดวงตาของท่านอาจารย์ก็ฉายแววแห่งความเห็นใจอย่างสุดซึง้ง ขาน้องสาวของเธอจะหายเป็นปกติภายในหนึ่งเดือนไปบอกน้องของเธอให้เอามุกเม็ดเกลี่ยงไม่เด็ดเจาะรูหนักสองก ร, รัตมาติดขอเกี่ยวร้อยเชือกแล้วสวมไว้ให้ติดผิวกายข้าพเจ้ากรมหลวงกราบนแทบเท้าท่านด้วยความโล่งใจและยินดีเป็นที่สุดอาจารย์ขอรับท่านเป็นถึงครูบาอาจารย์ แค่อาจารย์ออกปากว่านารินีจะหายดีกระผมก็รู้ว่าน้องจะต้องหายดีแน่แต่ถ้าอาจารย์ยืนกรานกระผมก็จะรีบหามุกไปให้น้องสาวสวมไว้ครับไปจัดการตามนั้นได้เลยแล้วท่านอาจารย์ศรียุคเตสวนก็พูดถึงเรื่องนรินีต่อ อาจารย์สามารถบอกลักษณะรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยใจคอของนารินีได้อย่างถูกต้องทงั้งๆที่อาจารย์ไม่เคยพบนาินีมาก่อนเลยคันโยคานันท์งงมากนะคะก็เลยถามว่าอาจารย์ขอรับอาจารย์ดูลักษณะนลรินีจากดวงหรือขอรับแต่อาจารย์ไม่รู้วันเดือนปีเกิดหรือเวลาตกฟ้าของน้องสาวกระผมเลยนี่ขอรับ ท่านอาจารย์ศรียุคเตสวนยิ้มก่อนจะบอกว่าโหราศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าการดูดวงทั่วไปไม่อิงอาศัยวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฝ้าก็มีอยู่มนุษย์แต่ละคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างหรือพระผู้ทรงไว้ซึ่งจักรวาลมนุษย์จึงมีร่างอยู่เบื้องบนเช่นเดียวกับบนพื้นพิภ พ, พตานอกของมนุษย์มองเห็นแต่สิ่งที่มีรูปร่างแต่ตาในา มองทะลุเข้าไปได้ลึกกว่าเห็นได้แม้กระทั่งแบบแผนแห่งจักรวาลซึ่งมนุษย์แต่ละรูปแต่ละนามประกอบกันขึ้นเป็นองค์รวมและส่วนที่แยกย่อยออกเป็นเอกเทศท่านโยคานันทะกลับมาที่กลกคตาแล้วก็ซื้อมุกมาให้น้องสาวเม็ดหนึ่งเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนปรากฏว่าขาที่เป็นอัมาพาตของนารินีหายเป็นปกติทุกประกาศ นาินีฝากเข้าพเจ้าไปกราบขอบพระคุณท่านครุสียุคเตสวนด้วยความสำนึกในบุญคุณอย่างล้นพน้นท่านอาจารย์นิ่งฟังความโดยไม่ปรีปากว่ากระไรแต่พอข้าไเจ้าลากลับท่านก็เอ่ยถึงปัญหาเรื่องการมีบุตรของนลินีขึ้นมามีหมอหลายคนบอกน้องของเธอว่าจะมีลูกไม่ได้ไปบอกน้องเธอเธอว่าภายในสองสามปีนี้น้องของเธอจะให้กำเนิดลูกสาวสองคน ปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่ปีนาลินีก็มีลูกสาวจริงๆค่ะเธอยินดีมากและอีกสองสามปีให้หลังเธอก็ได้ลูกสาวมาชื่นชมอีกคนหนึ่งคือมีลูกสาวสองคน ตรงนี้มีเชิงออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อั ญ, ญมณีแล้วก็โลหะมาเป็นเครื่องอเหมือนกับเป็นเครื่องรางเยียารักษาเนี่ยนะคะคือท่านโยคนันทาบอกว่าไขามุกอั ญ, ญมณีโลหะแล้วก็พันไม้ต่างๆเมื่อนำมาใช้โดยตรงคือหมายถึงนำมาใช้โดยให้สัมผัสกับผิวหนังของมนุษย์เราโดยตรงจะทาให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระจายออกสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย ร่างกายของมนุษย์เรามีคาร์บอนและก็ธาตุโลหะต่างๆเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกับที่มีในต้นไม้โลหะและอัญเนมณีการค้นพบศาสตร์แขนง น, นี้ของเหล่าฤาษีและพระมุนีต่างๆจะต้องได้รับข้อพิสูจน์ยืนยันจากนักสรีรวิทยาในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอนร่างกายที่ไวต่อการรับรู้ของมนุษย์ด้วยกระแสชีวิตที่มีประจุไฟฟ้าไหลเวียนอยู่โดยทั่วทั่วนี้เป็นศูนย์รวมของความลี้ลับ ที่ยังไขไม่ออกอยู่อีกนานนับประการแต่ถึงแม้ว่าอัญมณีและกำไลที่ทำจากโลหะชนิดต่างๆจะเยียวยารักษาร่างกายได้ แต่ท่านอาจารย์สียุคเตสวนก็มีเหตุผลอย่างอื่นในการแนะนำให้ใช้กกราวคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เคยคิดอยากเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เพราะมีแต่พระเป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นจอมภาคด้วยเหตุนี้เหล่าโยคีผู้บรรลุ ธ, ธรรมจึงมักจะซ่อนเร้นอำนาจที่ตนได้รับพระกรุณาประทานมาจากพระเป็นเจ้าเอาไว้ในหลากหลายรูปแบบข้างมนุษนั้น ก็มักจะเชื่อถือไว้ใจแต่สิ่งที่ตนจับต้องมองเห็นได้ mm hmm. เมื่อคนเหล่านี้มาขอให้อาจารย์รักษาให้อาจารย์จึงแนะนำพวกเขาให้สวมกําไลหรืออั ญ, ญมณีเพื่อกระตุ้นศรัทธาของพวกเขา mm hmm. และเพื่อเบ่งความสนใจของพวกเขาให้หันเหออกจากตัวท่าน mm hmm. กําไลและอั ญ, ญมณี mm hmm. นอกจากจะมีอำนาจในการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า mm hmm. อยู่ในตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ก็ยังมีกระแสแห่งความเมตตาจากจิตของอาจารย์บรรจุอยู่ด้วยก็มีหลายเหตุผลนะคะนี่เป็นเชิงอธิบายว่าทำไมไข่มุกอัญมณีโลหะแล้วก็พันไม้ต่างๆเนี่ย จึงมีส่วนช่วยในการรักษาเยียวยาความเจ็บไข้ด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่ท่านอาจารย์คุรุสียุคเตสวนมักจะแนะนำให้คนที่ไม่สบายหรือคนที่มีปัญหาทางสุขภาพเนี่ยสวมมุกหรือว่าสวมโลหะอะไรบางอย่างนะคะติดตัวเอาไว้ให้สัมผัสร่างกายโดยตรงเหมือนอย่างกรณีของนารินีที่ ให้ใช้ไข่มุกนะคะซึ่งท่านโยคานันทะก็ได้ทำตามนั้นแล้วก็ได้ผลดีคือไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุแค่นั้นแต่ว่ามีเรื่องพลังจิตจากท่านอาจา ร, รย์แต่และคนที่จะเอาพลังจิตเนี่ยใส่ไปในวัตถุนั้นด้วยในหนังสือเล่มนี้เนี่ย มีการกล่าวถึงคำว่ากริยาโยคะบ่อยครั้งนะคะท่านโยคานันทาก็อธิบายบอกว่าศาสตร์แห่งกริยาโยคะเริ่มเป็นที่รู้จักกันในอินเดียยุคปัจจุบันโดยการเผยแพร่ของท่านลาหิริมหัศยะซึ่งท่านลาหิริมหัศยะก็เป็นครุหรือว่าเป็นครูของท่านครุศยุคเตส่วนกริยาคือกริปแปลว่ากระทำปฏิบัต และปฏิบัติตอบโต้เป็นรากศัพท์เดียวกับคำว่ากรรมนะคะอันเป็นหลักของกฎว่าด้วยเหตุและผลโดยธรรมชาติกริก ร, รมเป็นรากศัพท์คำเดียวกันโดยเหตุนี้กริยาโยคะจึงหมายถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าผ่านทางการกระทำหรือพิธีกรรมบางอย่างโยคีผู้มุ่งมั่นปฏิบัติกริยาโยคะโดยไม่ย่อท้อ จะค่อยๆปลดพันธนาการแห่งกรรมหรือดุลยภาพของกฎแห่งกรรมลงได้ทีละน้อยท่านอยู่คานันทะท่านก็บอกว่าท่านอาจจะไม่สามารถอธิบายศาสตร์แห่งกริยาโยคะโดยละเอียดได้เพราะว่า การศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับคำชี้แนะจากผู้รู้นะคะท่านก็อธิบายโดยสังเขปบอกว่า mm hmm. การยโยคะ mm hmm. คือวิธีการทางกายและจิตอันเรียบง่าย mm hmm. ซึ่งจะฟอกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากโลหิตภายในร่างกาย mm hmm. แล้วเติมออกซิเจนเข้าไปแทนที่อะตอมของออกซิเจนที่เพิ่มเข้ามาจะแปลสภาพเป็นพลังปราณเข้าไปฟื้นฟูสมองและจักระต่าง ตามแนวกระดูกสันหลังให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์และอ่อนเยาว์ดังเดิมถึงมีคำกล่าวว่าคนเล่นโยคะเนี่ยจะดูหน้าใสาหน้าเด้งแล้วก็จะดูเด็กลงอะนะคะด้วยการหยุดยัง้งมีให้มีโลหิต ด, ดำเพิ่มพูนขึ้นโยคีจึงสามารถลดหรือยับยั้งการเสื่อมสลายของเนื้อเยื่อได้ เขาบอกว่าโยคียผู้บรรลุภูมิธรรมขั้นสูงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายให้กลายเป็นพลังงานได้เลยทีเดียวค่ะครูบาอาจารย์โยคียในอดีต ท, ที่บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยนะคะสามารถใช้กริยาโยคะบังคับร่างกายให้สลายหายไปหรือให้กลับมาเป็นรูปเป็นร่างได้ดังใจประสงค์ถึงขนาดนั้นเลย เปลี่ยนสสารพลังงานได้ตามใจชอบแต่ว่าก็คงจะต้องบรรลุถึงขั้นสูงมากนะคะกรยาโยคะเป็นศาสตร์โบราณท่าลาฮิริมหัศยะได้รับสืบทอดมาจากมหาคุรุผู้ยิ่งใหญ่ของท่านก็คือท่านบาบาจีท่านบาบาจีเป็นครูของท่านลาฮิริท่านลาฮิริเป็นครูของท่านศรียุคเตสวนท่านศรียุคเตสวนก็เป็นครูของท่านโยคา น, นันทะ ท่านบาบาจีเป็นผู้ค้นพบโยคะวิธีนี้หลังจากที่โยคะวิธีสูญหายไปในยุคมืดคือเหมือนกับท่านได้ไปนค้นพบแล้วก็ปรับปรุงหลักการขั้นตอนต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากร er ah ิยาโยคะท่านบาบาจีเคยกล่าวกับท่านลาหิริมหัสยะว่ากริยาโยคะที่ท่านมอบให้แก่โลกในยุคศตวรรษที่สินั้นแท้จริงคือศาสตร์ที่พระกฤษณะ เคยประทานให้กับเท้าอารชุนเมื่อหลายพันปีก่อนต่อมายังมีท่านปตันชรีพระคริสเซนจอนเซนปอลและสานุสิทธิ์อีกหลายท่านที่ได้เรียนรู้ถึงยุคสมัยนี้ท่านจึงได้นำกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งพระกริณะ ศา ส, สดาพยากรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียได้เอ่ยถึงกริยาโยคะเอาไว้ในคำพีพระวัตคีตาถึงสองครั้งครั้งแรกอยู่ในสลกบทที่ว่าด้วยการถวายลมหายใจเข้าในลมหายใจออกและถวายลมหายใจออกด้วยลมหายใจเข้าโยคยีจึงผ่อนลมหายใจทั้งสองทางให้สงบลงได้เมื่อเป็นเช่นนั้นโยคยีสามารถปล่อยลมปราณจากหัวใจและควบคุมพลังชีวิตได้ดั่งใจคิด ความหมายของสโลกบทนี้ก็คือโยคีระงับความเสื่อมสลายแห่งกายได้ด้วยการใส่ปราณหรือพลังแห่งชีวิตเพิ่มเข้าไปโดยหยุดการทางานของปอดและหัวใจนอกจากนี้ยังยับยั้งการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของร่างกายได้ด้วยการควบคุมอัปปานะหรือกระแสการกาจัดทิ้ง โยคีจึงเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังชีวิตได้ก็ด้วยการทำให้กระบวนการเสื่อมสลายและการเจริญเติบโตหยุดนิ่งอยู่กับที่เช่นนี้เองกิยา<ว><ว><ว><ว><ว>ทโยคะ<บ><ว><ร> <oke> <ร> <oke> <ร> <oke> เป็นเครื่องมือช่วยเร่งการวิวัฒนาตนของมนุษย์ให้เร็วขึ้นโยคีในสมัยโบราณคนพบว่าความลับในจิตสำนึกแห่งจักรวาลมีความเชื่อมโยงกับทักษะในการควบคุมลมหายใจอย่างแนบแน่นนี่คือเอกลักษณ์และคุณูปการที่อินเดียมีต่อขุมครังความรู้ของโลกอย่างชนิดที่ไม่มีวันสิน้นสุด พลังปราณซึ่งโดยปกติจะถูกดูดซับมาค้ำจุนการทำงานของหัวใจจะต้องได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระเพื่อช่วยให้จิตก้าวขึ้นสู่สภาวะธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้ทางนี้ก็โดยการประงับความต้องการลมหายใจอันไม่มีที่สิ้นสุดนี้ไว้ด้วยการผ่อนผ่อนลมให้เบาลงจนหยุดนิ่งอยู่กับที่ โยคะนี้สามารถทำให้ร่างกายของตนหยุดนิ่งคือหยุดทำงานได้เลย <I am S 1> หมาถึงโยคยีที่เก่งๆเนี่ยนะคะ <I am S 1> สามารถทำให้ร่างกายหยุดทำงานมีสภาพเหมือนกับศพมีสภาพเหมือนคนที่ตายไปแล้วคือแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหว แล้วก็แข็งทื่อนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้นะคะในการฝึกกริยาโยคะกริยาโยคะอาศัยจิตเป็นตัวควบคุมพลังปราณให้โคจรขึ้นลงไปตามจักระทั้ง6บนแนวกระดูกสันหลังซึ่งตรงกับสั ญ, ญลักษณ์ดวงดาวทั้ง12กลุ่มในจักรราศี การโคจรพลังให้หมุนเวียนไปตามลำไขสลังที่ไวต่อการรับรู้เพียงครึ่งนาทีจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิวัฒนาการของตัวมนุษย์ครึ่งนาทีแห่งการปฏิบัติกริยาโยคะจึงมีค่าเท่ากับ1ปีในการปล่อยให้จิตวิญญาณของมนุษย์พัฒนาไปเองตามธรรมชาตินั่นเลยทีเดียว บทนี้ก็เป็นการอธิบายความหมายและก็คุณค่าของกริยาโยคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะติดตามต่อตอนหน้าชีวิตโยคียและองค์ความรู้ของโยคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ